โรงทานซึนามิในช่วงวันหยุดตั้งแต่คริสต์มาสปี2547ยาวไปจนถึงปีใหม่ของปี2548เราวางแผนเอาไว้ว่าจะเข้าวัดป่าบ้านตาดเพื่อทำความเพียรหาความสงบอย่างที่เคยปฏิบัติเป็นประจำจึงเตรียมตัวจัดกระเป๋าเดินทางในแบบที่จะไปอยู่วัดคือมีเสื้อขาวผ้าถุงดำผ้าห่มคลุมไหล เตรียมพร้อมจะเข้าวัดเต็มที่แต่ยังไม่ทันได้ไปก็ได้รับโทรศัพท์ชักชวนให้ไปช่วยกันแจกของของหลวงตามหาบัวให้กับผู้ที่ประสบภัยซูนามิซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่26ทธันวาคม2547นั่นเองเราจึงต้องตัดสินใจทันด่วนว่าจะเอาอย่างไรจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือจะไปช่วยเหลือคนประสบเคราะห์กรรมซึ่งกรณีหลังก็น่าจะเหมาะเพราะเราเป็นมืออาชีพอยู่แล้วในเรื่องงานการพยาบาล ในที่สุดก็ตัดสินใจยิ้วกระเป๋าลงใต้ไปกับคณะช่วยผู้ประสบภัยสึนามิเพราะได้พิจารณาแล้วว่าจะทำประโยชน์แก่โลกได้คณะที่ไปก็มีจำนวนคนมากพอสรุปกันว่าจะไปแก้ปัญหาเอาข้างหน้าเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนมันกระทันหันจนต้องมุ่งไปข้างหน้าทันทีเพื่อให้ทันต่อการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ในการตัดสินใจครั้งนี้เราคิดแต่เพียงว่าหลวงตามาหาบัวท่านเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านทุ่มเทให้การสงเคราะห์โลกมานับไม่ถ้วนเป็นมูลค่ามากมายนับหมื่นล้านบาทท่านไม่เคยว่างเว้นในการให้ความเมตตาโดยเฉพาะในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้ท่านสงเคราะห์อย่างเปิดเผยท่านได้เข้ามาเท่าไรก็จ่ายออกไปสงเคราะห์โลกเท่านั้นการพาธรรมของท่านจึงฝังอยู่ในจิตใจของลูกศิษย์จนกลายเป็นอุปนิสัย โดยเฉพาะตัวเองก็ได้รับการปลูกฝังจากท่านในเรื่องการให้การส่งเคราะห์และการมีเมตตาการสร้างทานบารมีฉะนั้นเมื่อโอกาสที่จะสร้างทานบารมีมาถึงเช่นในวิกฤตครั้งนี้เราจึงต้องรีบทำทันทีหลวงตามหาบัวยานสัมปโนท่านได้นำพาลูกศิษย์ของท่านสร้างทานบารมีมานับแต่เมื่อท่านได้พิจารณาแจ้งชัดในธรรมดับกิเลสได้หมดสิน้น สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์เมื่อวันที่15้าพฤษภาคมสอง3เสเวลาห้าทุ่มณวัดดอยธรรมเจดีสกล น, นครจากนั้นมาท่านก็เมตตาสงเคราะห์โลกอย่างกว้างขวางในทุกสิ่งที่ท่านพิจารณาเห็นสมควรเมตตาธรรมที่ลูกศิษย์ได้สัมผัสอยู่ตลอดมาจึงซึมซับเข้าในดวงจิตของพวกเราเมื่อเห็นผู้ใดเดือดร้อนก็จะต้องรีบเข้าไปช่วยจนเป็นเรื่องปกติเป็นนิสัยไปแล้ว ไม่ต้องรอให้พ่อแม่ครูอาจารย์ต้องออกปากลูกศิษย์ทุกคนล้วนมีท่านเป็นแม่แบบผ่าธรรม